ผู้ถูกโจทย์โดยชอบธรรมต้องเดือดร้อนท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้ถูกโจทย์โดยชอบธรรมพึงเดือดร้อนด้วยอาการเท่าไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคกระตอบว่า อุบาลีภิกษุผู้ถูกโจทย์โดยชอบธรรมพึงเดือดร้อนด้วยอาการ5อย่างคือ 1. ท่านถูกโจทย์โดยอาการที่ควรไม่ใช่อาการไม่ควรจึงสมควรเดือดร้อน 2. ท่านถูกโจทย์ด้วยเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องไม่จริงจึงสมควรเดือดร้อน 3. ท่านถูกโจทย์ด้วยคําสุภาพ ไม่ใช่คำหยากจึงสมควรเดือดร้อน 4. ท่านถูกโจทย์ด้วยเรื่องที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ไม่เป็นประโยชน์จึงสมควรเดือดร้อน 5. าท่านถูกโจทย์ด้วยเมตตาจิตไม่ใช่เพราะมุ่งร้ายจึงสมควรเดือดร้อนอุบาลีภิกษุผู้ถูกโจทย์โดยชอบธรรม พึงเดือดร้อนด้วยอาการห้าอย่างนี้